าการฟังธรรมะในาทางด้านปฏิบัติทั้งผู้เทศทั้งผู้ฝังมากไม่ค่อยมีคำว่าพิธีเช่นฟังพอเนพิธีเทศพอเินพิธีอย่างนี้ทางภาคปฏิบัติ ไม่นำมาใช้กันสำหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงๆไม่นำมาใช้แต่ถ้าหากว่ามุ่งต่อโลกามิต์อยู่แล้วอาจมีถ้ามุ่งต่อโลกามิต์ก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติมันก็มาขัดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จึงพูดว่าทางด้านปฏิบัติแล้วไม่มีพิธีฟังพอเป็นพิธี เทศพรินพิธีก็ไม่ีฟังตั้งใจผู้เทศตั้งแต่เทศให้ผู้ฟังได้รับความเข้าใจจริงๆด้วยเจตนาอย่างนั้นผู้ฟังก็ตั้งใจฟังจริงๆด้วยความสังรวมระวังจิตใจของตนไม่ให้ส่งไปในที่อื่นในขณะที่ฟังทำความรู้สึกอยู่กับใจของเราเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องส่งจิตกระแสะจิตออกมา ภายนอกเช่นส่งออกมาสู่ผู้เทพเป็นต้นอย่างนี้ก็ไม่ควรเพราะจะขาดกําลังภายใน จ, ใจิตใจเมื่อได้ตัง้งจิตไว้เฉพาะหน้าคือมีความรู้สึกอยู่กับตัวแล้วนั่นแหละถ้าจะเทียบกับคนก็คือคนอยู่ในบ้านแคร์คนมาจากที่ไหนเข้ามาเกี่ยวข้องในบ้านนั้นเจ้าของต้องรับทราบนอกจากเจ้าของมาอยู่บ้านเสียเท่านั้น แม้เขาจะมาขโมยเอาของประชักกี่ชิ้นกี่ร้อยกี่พันอย่างก็ไม่ทราบได้เลยจิตใจที่อยู่กับตัวขณะท่านแสดงธรรมหนักเบามากน้อยจะต้องรับทราบทุกระยะเพราะใจอยู่กับตัวเหมือนคนอยู่ในบ้านถ้าจิตความรู้สึกนั่นได้ส่งไปจากตัวเสียการปังเทไนะ่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องผลไม่ค่อยเกิด นี ets, ่กิเลสล่วงเขาไปออะไรไปหมดเหมือนกับโจรผู้ผู้ร้ายน่เาไปขโมยของอของในบ้านหมดก็ไม่รู้เราไม่เคยทำจริงทำจังไวตนิตีเตียนตูโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย ว่าเทศคนได้สำเร็จมากผลนนิพพานในสสำเร็จยังไงเพียงเ ท, เทศเท่านั้นหวังบางคนไม่เชื่อก็มีว่าพูดเทศจะสามารถยังบุผู้ฟังให้สาเร็จมะพรุนนิพพานได้แล้วผู้ฟังไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังนี่เป็นความคิดเห็นของคนประเภทที่ลอยลมคือศักิ์แต่ว่าอย่างนั้นทั้งนั้น ถือศาสนาก็าสักแต่ว่าถื อ, ถ, อถามว่าถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธนั่นก็มีแต่ชื่อของพุทธเต็มปากเตม็ตมคอแต่ไม่เคยมีทำเข้าไปเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยขึ้นชื่อว่าพุทธมาทำมาสงฆ์ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นไม่ใช่เป็นของพิธีที่พอจะนํามาทําเล่นๆอย่างนั้นแล้วประเภทที่เล่นๆ น, นี้แหละเป็นประเภทที่ทําลายศาสนา ตั้งที่เราทราบทราบกันทำลายจะมีเจตนาหรือไม่มีไม่สำคัญเช่นอย่างไม้มันหลุดจากมือของเราลงไปทับเท้าของเรานี้ยมันก็เจ็บได้ทั้งๆที่เจ้าของไม่มีเจตนาหรือมีถูกมือเจ้าของโดยมีเจตนาจาับฟันมือมันก็เจ็บได้เป็นแผลไดน้นี่คำพูดที่เป็นภัยแต่ตนและศาสนามันก็เป็นได้อย่างอย่างทำลองเดียวกันนี้ ท่านปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติจริงๆเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันไปเลยพระสาวกก็ปฏิบัติจริงๆฟังจริงๆพระพุทธเจา้าทรงแสดงด้วยพระเมตตามีเจตนาเพื่อสัตว์โลกให้รู้แจ้งห็นจริงในธรรมตามกําลังความสามารถของตนทุกระยะแห่งการแสดงธรรมพระองค์ไม่ทรงลุนละเจตนาที่จะหวังให้สัตว์โลกได้รับ ผลประโยชน์จากการฝั่งนั้นเลยท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการปฏิบัติที่จะได้ตัดสรู้ธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งโลกทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะทำได้อย่างพระองค์นี่ก็อาจจะเป็นลบล้างก็ได้ปฏิเสธก็ได้ว่าไม่จริงทำถึงขนาด น, นั้นไม่จริงเพราะเราไม่เคยทำเราจะาความจริงมาจากไหน เห็นคนอื่นทาแล้วก็คัดค้านเห็นคนอื่นขยันเราขี้เกียจก็ไปคัดค้านเขาตำหนิเขาเห็นเขารู้เราโง่เขาเจ้าเล่หเราโง่ก็ไปตำหนิเขาเราไม่มีความสามารถอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสามารถทั้งด้านปฏิบัติสามารถทั้งรู้เห็นเต็มภูมิของพระพุทธเจ้า การประทานอวาสให้แก่สัตว์โลกจึงต้องประทานเต็มพระกำลังสติสัพความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างให้สมภูมิกับคำ ว, ว่าศาสดาเอกของโลกน้กผู้ฟังก็ฟังด้วยเจตนาอย่างนั้นด้วยแล้วผลไม่เป็นไปตามเจตนาไม่เป็นไปตามการกระทาที่ถูกต้องเนียงามเต็มกำลังความสามารถ จะไม่จะเ ป, เป็นเป็นอื่นได้อย่างไรเพราะเหตุกับผลเป็นความเกี่ยวเนื่องไปโดยลำดับการทําดยเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไ, ได้อย่างไรต้องเต็มต้องได้เพราะฉะนั้นครั้งพุทธการท่านแสดงธรรมผู้บรรลุธรรมจึงมีจำนวนมากด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ในขั้นตกมาสมัยทุกวันนี้ศาสนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงของท่านผู้วิเศษวิสสของท่านผู้ทำจริงรู้จริงเห็นจริงสั่งสอนสัตว์โลกจริงด้วยธรรมนั้นๆแล้วธรรมเหล่านี้ก็มากลายเป็นธรรมพิธีให้แก่โลกที่เป็นโลกพิธีผู้นับถือเพียเป็นพิธีพอเป็นลางๆอะไปนั้นอะไรแล้วก็เรือนก็ลางก็จางไปหมดปลอมไปหมดเพราะหัวใจพาให้ปลอมหัวใจไม่จริงเสียอย่างเดียวอะไรก็ปลอมไปหมด เวลานี้กำลังอยู่ในอยู่ในจุดนี้แล้วพวกเราจะอยู่ในจุดไหนจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบไหนถ้าเราต้องการเป็นแบบตามหลักความจริงที่ทำสอนไว้ด้วยความจริงเราก็ต้องทำให้จริงปฏิบัติให้จริงนี่เป็นการเตือนให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นกันเองได้ทราบถึงข้ขอเท็จจริงของศาสนาและผู้ปฏิบัติ ศาสนาว่าผลเป็นมีได้รับมากน้อยอย่างไรหรือการเป็นโมฆะไปหมดก็เป็นไปตามเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ <c oughs> การฟังธรรมซึ่งเป็นหลักสำคัญที่จะปฏิเสธกันไม่ได้ในการรับผลก็คือฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจมีความรู้มีสติกำกับอยู่กับตัว มเท่านั้นเป็นหลักใหญ่นี่ชื่อว่าได้ตั้งภาชนะไว้เรียบร้อยแล้วการแสดงธรรมท่าท่านผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงธรรมจะไม่หนีจากธรรมคือของจริ ง, ขอ ง, รงอของจริงต่อของจริงต้องเข้ากันได้ผู้ฟังฟังจริงจริงผู้แสดงแสดงจริงจริงแสดงด้วยอัตธรรมเป็นข้อเท็จจริงจริง ๆ, ๆ, ๆไม่ได้รูปได้คามาแสดง ต้องเข้าใจตามหลักธรรมนั้นๆแล้วทมทั้งหมดท่านมีไว้เพื่ออะไรถ้าเป็นน้ําก็มีไว้สาหรับอาบดื่มใช้สอยสําหรับซักพอกหรือชะล้างสีสกรปรกสมมทั้งหลายธรรมะก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะพวกเรามันพวกสกรปรกทั้งนั้นเนี่ยบรรดาจิตใจที่มีกิเลสเป็นจิตใจที่สกรปรก กายวาจาที่เป็นลวงหังของของจิตจิตที่เป็นลวงหังของกิเลสมันจึงเป็นเรื่องสองกระปกประตำตามกันกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนั้นท่านจึงต้องหาธรรมหาน้ำที่สะอาดมาตั้งสอนพวกเราคือธรรมที่สะอาดก็คือซอขาตธรรมตราดไว้ชอบแล้วนี่แสดงว่าสะอาดเต็มที่แล้วนิยานิกระทธรรมเป็นธรรมที่รับรอง เหมือนกับน้ําเป็นเครื่องรับรองช้าล้างสิ่งสกปรกท่างหลายให้สะอาดไปได้ไม่เป็นอย่างอื่นทำก็เป็นธรรมชาติที่สะอาดเช่นนั้นสําหรับช้าล้างสิ่งสกปรกในหัวใจของสัตว์ขอย ห, หัวใจมีความสะอาดเธอกายวาจาหากค่อยเป็นไปเองเพราะนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นที่สําคัญยริงก็คือใจซึ่งเป็นตัวการหากใจยอมรับความจริ ง, จรงใจยอมรับที่จะซักฟอกตัวเองแล้ว ต้องมีวันสะอาดขึ้นวันหนึ่งจนได้จากน้ำสะอาดคือธรรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกทรงใช้ต่อโลกมานานแล้วแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจมาเดิมหนักแม้คำว่าสังขังสนังกระฉามิเล่ากล่าวถึงท่านเพื่อประโยชน์อะไรถ้าไม่ใช่เป็นผู้สะอาดหมดจดเต็มที่แล้วจากน้ำคือพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าชำระเสียจนสะอาด แล้วทำมังสะนังกระฉามิซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์แท้ไม่ออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ของบุญเจ้าจะออกมาจากไหนพระไทยที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะการชำระการสะสางการขัดเกลากการชะล้างด้วยอัดด้วยทำนั่นะเป็นความจริงมาโดยลําดับลำดั บ, ดบจนกระทั่งถึงปฏิบัติถึงพวกเหล่านี้ทำเป็นธรรมชาติที่สะอาดอย่เช่นนั้นสําหรับล้างสิ่งรรโสกปรกโสมมของสัตว์โลกถ้าเราคิดตามธรรมดาของเรา จาเพินเผินยงโลกที่สมมุติทั่วไปก็ว่าเราเนี่สะอาดที่สุดมันมีใครจะยิงยิ่งกว่าคนงโง่มันมีใครจ ะ, ะจะว่าสะอาดยิ่งกว่าคนสกโ ป, ปกถ้าพูดตามทมแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อเราทราบว่าเราสกโ ป, ปกทางใจที่เต็มไปด้วยทีเหลือซึ่งเป็นกิ่โสมหมมแล้วเราต้องเป็นผู้มุ่งถ้าอดตัดทไปเพิ่ง ช า, างดังที่ท่านทั้งหลายได้อุษาส ล, าลาับเรื่มเวลาหน้าที่การงานตลอดทังชีวิต จ, จิตใจมาเพื่อบําเพ็ญตนนี้จึงเป็นความถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดําเนินม า, าเรียกว่าอริยประเพณีประเพณีของพุทธบริษัทอันที่ดีงามของพระพุทธเจ้าท่านดําเนินอย่างนั้นจึงขอขอบคุณและ อ, อนุทนากับท่านทั้งหลายไว่าโอกาสนี้ด้วย คำที่ว่าพวกเราสกโปกนี่ก็พอจะทราบมันได้คำว่าสกปปกสกปกเพราะอะไรที่โลกหนักทังให้ดีที่โกรธที่หลงที่สามกองนี้เต็มอยู่บนหัวบนหัวอะไรบนหัวใจนานอันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิติเตียนท่านขายะขยังมาก พวกเราชอบจึงไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สนใจในสิ่งที่จะนำมาช้าล้างเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ผู้ถูกเยียยามีเยอะว่างเพราะความเห็นผิดต้องผิดไปเรื่อยๆ อ, อะไรพาให้เห็นผิดถ้าไม่ใช่หัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวผิดทั้งเพนั้นพาจิตใจให้ผิดไปด้วยแล้วพา ให้การแสดงออกทุกแง่ทุกมุมผิดไปตามๆกันจกนกระทั่งกายวาจาที่แสดงมาผิดไปทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ผิดมีอยู่ภายในจิตใ จ, จเท่านั้นไม่ต้องมากมายอะไรเลยตัวนั้นเป็นตัวการพระเจ้าทนานสอนให้ชำระให้ล้างการตังเทศฟังธรรมก็เป็นการชาล้างจิตใ จ, จของตนด้วยธรรมคือในขณะที่ฟังธรรมศาสันนิสงอันว่าอันส์เกิดขึ้นจากการฟังธรรม อายสงฆ์ก็คือผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังนั่นแหละทำให้จิตของเราอย่างน้อยมีความสงบเย็นใจรู้เหตุรู้ผลรู้ทางดีทางชั่วและรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อตอนของตอนพอสําคัญที่สุดก็คือมีความผ่องใสและรับความร่มเย็นในขณะที่ฟังนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและการการฟังธรรมท่านอมีอันนี้สง์ห้าเห็นว่าอย่างนั้น เราจะไปะคว้อาอนิสง์ที่ไหนถ้าไม่เอาในขณะที่ฟังเพราะการฟังก็คือการทำได้แก่บําเพ็นเหตุแล้วผลจะต้องเกิดตามมาในขณะนั้นๆมีความสงบเย็ยนใจเป็นต้นหากว่ากิเลสอาสวะเป็นเหมือนวัตถุเป็นตัวค่าศึกเช่นอย่างเสือร้ายเป็นต้นแล้ว คนเราจะอยู่ในโลกด้วยกันไม่ได้มองดูคนไหนก็เป็นเหมือนกันมีแต่เสื้อร้ายที่มันคล่อมอยู่บนหัวคนแล้วกัดฉีกหัวคนลงไปโดยลาดับนอนอยู่ก็กัดยืนอยู่ก็กัดยืนอยู่ก็ฉีกนั่งอยู่ก็ฉีกอะไรอะไรอยู่ฉีกทั้งนั้นกิจความเคลื่อนไหวต่างๆมีแต่ถูกเสื้อร้ายมันกัดมันฉีกตลอดเวลา แล้วจะหาเนื้อหาหนังหาเอ็นหากระดูกมาจากที่ไหนให้ติดให้ต่อกันเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอย่างที่เป็นอยู่นี้ได้หากว่าธรรมชาตินี้เป็นวัตถุเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งแล้วเรามองดูคนนั้นก็เป็นแบบนี้เยิ้มไปด้วยบุพโพลหิตเต็มไปหมดที่ถูกเสือมันกัดมันฉีกมันทําลายอวัยวะส่วนต่างๆ มองดูคนนี้ก็เหมือนกันมองดูคนนั้นก็เหมือนกันนว่รลายของกิเลสมันแสดงออกกับโลกทั่วไปเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้เป็นตนเป็นตัวอย่างนี้โลกจึงเห็นว่าเป็นของดีเมื่อไปเสกสรรนั้นมัาเป็นของดีเห็นของชั่วว่าเป็นของดีเห็นของดีว่าเป็นของชั่วแล้วมันก็ต้องกลับตรบปดกกันไปสิ่งที่ควรจะได้รับเป็นความสุขมันกลายเป็นทุกข์ไปหมดเช่นโลกมันร้อนมันร้อนเพราะอะไรทุกวันนี้เขาก็พูดแล้วว่า โลกมันจเจริญมันจเจร od. ิญที่ตรงไหนถ้าพูดตามหลักธรรมความจริงแล้วมันเจริญที่ตรงไหนคนกำลังจะถูกเผาต้องเป็นอยู่เวลานี้แล้วแล้วหาความเจริญมาจากที่ไหนความเจริญก็ต้องคือความสงบสุขความสะดวกสบายความเป็นอยู่ผูวายสะดวกสบายหน้าที่การงานสะดวกสบายการคุก้าสมงคมสะดวกสบายอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะจะมีจานวนมากน้อยเป็นความสะดวกสบายไม่ ทะเลอะ บ, บ่อแว่งไม่ฆ่าไม่ตีไม่แย่งไม่ทีไม่คดไม่โกงไม่กดขี่บังคับไม่รีดไม่ไถซึ่ง ก, กันและกันซึ่งเป็นการทําลายสมบัติแดะจิตใจซึ่ง ก, กันและกันตรา้าจากศีลนี้จะหมดโลกมีความลมเย็นนั่นโลกได้รับความสงบสงบอย่างนั้นแล้วลูกวันนี้โลกมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าโลกเป็นอย่างนั้นแล้วผลเป็นอย่างไรทั้งๆ ท, ที่โลกทั้งหลายว่าโลกเวลานี้โลกกาลังจเจริญมันจเจริญ อ, อะไรเราดู ถ้าดูตามหลักธรรมแล้วเจริญที่ตรงไหนแล้วย้อนขึ้นมาหาตัวของเราอีกวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งกระตื่นขึ้นมาหมุนเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกงจักรความที่มันหมุนอยู่เช่นนั้นมันเป็นความสุขแล้วเหรอคนเดินทางคนวิ่งเป็นความสุขก็เหลือต้องพักผ่อนให้สบายนอนหลับให้สบายนั่นถ้าฐานที่เต็มไปด้วยโรคด้วยภัยที้เจ็บทั้งเจ็บหวัวปวดท้องเต็มอวัยวะ คนนั้นมีความสุขแล้วเหเรือเหกิเลสมันชอนมันชายมันกัดมันฉีกอยู่ตลอดเวลาทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งจิตใจแล้วจะเลิศนั่หรืออย่างนั้นความกัดทั้งมันผลที่เกิดขึ้นจากความกัดความฉี่ของกิเลสมันก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นหาความสุขไม่มีแล้วเราความสุขจากที่ไหนย้อนมาดูตัวของเรามันก็เป็นไฟภายในใจิตใจเพราะกิเลสก่อไฟอยู่ตลอดเวลาอืม ราคะกินนาโทสักกินนามุหกินานั่นฟังเออไฟคือราคะไฟคือโทสักไฟคือมัวไฟคือความโลภความโกรธความหลง ม, มันเผาที่ที่จิตที่ใจไฟไม่ว่าจะ ก, ก่อที่ไหนมันร้อนทั้งนั้นเนี่ยถ้าไฟนี่มันสว่างโพงขึ้นมาภายในใ จ, ใจิตใจไฟราคะโทสัมุหนันมันสว่างจริงสำหรับ ตัวกิเลสประเภทนั้นแต่เรามืดลงทุกทีอันตาการเรณโอนัธาท่านว่าตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าโกนุหะโซจิมานันดนิจจังปฏิชิเตสติอันตาการเรณโอนัธาปฏิปังนักวเวสถะคันเมื่อโรคฐานนิวาดนี้เต็มไปด้วยความมืดโมนอันตการเพราะอำนาจแห่งกิเลสทัหามันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลาย เพลิดเพลินกันหาเรื่องอะไรนะทำไมจึงไม่รีบหาสแสวงหาที่พึ่งมาเพลินตัวอยู่ทำไมกับไฟกองที่กําลังพองอยู่ในตัวมันแต่เรามืดลงทุกวันทุกวันอันนี้นะ่ะท่านสอนถึงใจไหมพระพุทธเจ้าสอนโลกถ้าเราจะฟังเพื่อถอดถอนกิเลสมันถึงใจจนหน้าละอายตัวเองเม <sweats h irt> ื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ฟังด้วยความถึงใจแล้วทําไม่จิตใจจะ ม, มีไม่มีความกระหิมไม่มีความพอใจที่จะแก้ไขกิเลสตัณหาอสุภะซึ่งมันเป็นภัยทั้งกองอยภายจิตใจของแต่ละคนคนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วกิเลสทำไมจะไม่หลุดรอยออกไปเมื่อได้ทําลงด้วยความถึงใจเห็นโทษของกิเลสด้วยความถึงใจเช่นนั้นกิเลสมันจะทนอยู่ได้หรือจากความเพียรของผู้ที่รู้ภัยรู้โทษของกิเลสอย่างถึงใจเช่นนั้น นี่ละบรรณาพระพุทธสาวกทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายที่ท่านรู้เห็นทำท่านรู้ท่านเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจการทำทําอย่างถึงใจรู้จึงรู้ให้ถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจถึงความหลุดพ้นไปด้วยความถึงใจนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องพิธีนรับศีลก็รับเป็นพิธีอะไรก็เป็นพิธีฟังธรรมก็เป็นพิธีพูดปฏิบัติอะไรเป็นพิธีทั้งนั้นเรื่องเหมือนกับเรื่องเด็ก ศาสนานั้นไม่ใช่ของเด็กพระพุทธเจ้าทั้งพระองค์เป็นผู้ประธานศาสนาไว้ะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เด็กศาสนาธรรมไม่ใช่ศาสนาธรรมของเด็กผู้ปฏิบัติศาสนาพุทธบริษัทจึงไม่ควรเป็นเรื่องของเด็กเข้ามาแทรกตัวเองในกิจยาแห่งการทําเกี่ยวกับศาสนาพอเป็นพิธีพิธีพิธีธธโลกมันเลยโลกไปพิธีไปหมดทางในทางศาสนาแล้วเราจะหาผลมาจากไหนมันมีเมื่อมีแต่พิธี เต็มจิตเต็มใจเต็มอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและในงานนั น, น้นๆิเรศมันมีพิธีที่ไหนเวลามันจะกัดกขออีดหัวขดมันมีพิธีไหมเราดูสิมันตั้งท่าตั้งทางยกครูยกคันมะิเรศการแสดงอย่างนั้นชื่อว่ามีพธิธีความโลภมันเกิดขึ้นมาทันทีถึงอก เมื่อได้โอกาสที่มันจะแสดงความโลภแสดงความโกรธแสดงความหลงแสดงอาการออกมาด้วยกิเลสประเภทต่างๆมันแสดงขึ้นมาทันทีไม่ได้คอยหาพิธีรีตองเหมือนอย่างพวกเราที่จะฆ่ากิเลสแล้วฆ่าพอเป็นพิธีทำพอเว็พิธีมันจะเข้ากันได้ไหม น, นั่นเราคิดกลัวมากไหมถ้ากิเลสเป็นเหมือนกับเสือไายตัวหนึ่ง อยู่บนหัวใครหัวเราทุกคนมีแต่เสือรุมกัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมองไปไหนมีแต่เสือรุมกัด อ, อวัยวะจนจะไม่มีเหลือมันกัดมันฉีกไปเท่นนั้นมันก็ฉีกไปเรื่อยเดินไปมันก็ฉีกกัดไปเรื่อยอย่างงืนเราจะดูได้ไหมดูไม่ได้เลยน่แต่นี้กิเลสมันไม่เป็นตนเป็นตัวเช่นนั้นมันกัดมันฉีกอยู่ภายใน แล้วยังเรายังนอนเคิมมันกัดมันฉีกอย่างสบายไปอีกนั่นนะแล้วจะหาทางแก้กิเลสได้อย่างไงเมื่อไม่ทราบว่ากิเลสและไม่ทราบความกัดของกิเลสไม่ทราบเป็นความทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาบนหัวใจเราจะหาทางแก้ไขกิเลสได้อย่างไรอันนี้แหละที่มันไม่ทันกลมายาของกิเลสเรา ต, ต้องยอมมันเรื่อยๆไป เป็นผู้หมดอำนาจหมดวาสนาเป็นคนอาภัพก็อาภัพเพราะกิเลสบังคับนี่เท่านั้นถ้าแก่กิเลส อ, ออกจากจิตใจแล้ววาสนาไม่ต้องบอกค่อยดีดขึ้นดีขน ด, ข, ดขึ้นด้วยความดีของเราที่ทําอการให้ทานก็เป็นสร้างวาสนาการรักษาศีลสร้างวาสนาการเจริญเมตตาภาวนาทั้งหมดเป็นการสร้างวาสนาถ้าทําด้วยเจตนาอันดีไม่สักแต่ว่าทําถ้าสักแต่ว่าทําทานก็ไม่มีผลมากสักแต่ว่าทํา ทำพอเป็นพิธีเฉยรักษาศีลก็พอเป็นพิธีแต่เวลาจะร่วงล่วงศีลไม่ไม่พอเป็นพิธีมันร่วงจริงๆให้ขาดจริงๆรสะ บ, บั้นไปหมดภาวนาก็พอเป็นพิธีแต่เวลาความง่วงมันจับตัวเข้ามามันครอบเข้ามานี่ล้มตูมจริงๆริงไมไ่ไม่ได้นอนพอเป็นพิธีเมันนอนจริงๆรหลับคล้อคล้เหมือนคนตายโดยมันเป็นพิธีไม่เวลาสิ่งอย่างนั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เวลาจะบำเพ็ญรรมันพอเป็นพิธีพิธีนี่แล้วมันไม่ทันเหตุทันการไม่ทันกับคนมายาของกิเลสจึงต้องยอมเป็นคนอาภาัพของกิเลสให้กิเลสย่มยีขูดรีดอยู่นั่นกดขี่บังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งพบทั้งชาติตลอดกับตลอดกันยังไม่สามารถจะทราบได้ว่าวันไหนเราจะพอทราบเงาของกิเลสบ้าง ว่ามันทําเราด้วยวิธีใดบ้างมันมีเงาบางไม้กิเลสทําเราพอถ้าไม่เห็นตัวมันพอเห็นเงามันก็ยังดีเห็นอย่างเขาตั้งมัดตั้งมัวเนี่ยมองเห็นเงาเาก็ยังน่าดูอยู่ไม่เห็นตัวคนเราไปมองดูเงามันก็ยังน่าดูแต่นี้ไม่เห็นจนกระทั่งเงาของกิเลสฆ่าคนทําลายคนเบียดเบียนคนทรมานคนกดขี่บังคับคนแล้วเราจะไปแก้กิเลสได้ที่ตรงไหนเมื่อเงาก็ไม่เห็นเลยไม่ต้องพูดถึงตัวกิเลสนี่ อาพี่นี่เพื่อให้รู้เพื่อให้ทราบเงาของมันและตัวของมันแล้วจงกําหนดความรู้คือจิตสติเป็นเครื่องกากับเข้าสู่ภายในกายในใจของตนหูจะออกไปรับกับเรื่องอะไรเจ้าของของหูมีคือความรู้สติมีปัญญามีมันออกไปก็เทบกับเรื่องอะไร รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสจะไม่สัมผัสที่อื่นใดทั้งหมดซึ่งจะเป็นผู้รับทราบนอกจากตาหูจมูกวินกายและใจเป็นตัวการสําคัญซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและรับผลโดยประการทั้งปวงจากไอระนาเหล่านี้ที่ไปก่อเรื่องก่อราว<ม>ซึ่งกันกและกันแล้วนำผลโยนมาหาจิตเป็นผู้รับถ้าเรากําหนดยอย่างนี้เราจะทราบ ทั้งเงาของกิเลสทั้งตัวของกิเลสว่ามันมาด้วยเหตุใดผลใดมันมาด้วยอาการอะไรผู้ที่ออกต้อนรับคือเรื่องจิตใจของเรามันออกต้อนรับกิเลสยอมรับกิเลสก็ดีมันยอมรับเพื่เหตุใดเราจะทราบในขนาดนี้ <c oughs> เมื่อเราทราบแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดับดับเท็จเอาตั้งสติลงที่ตัวรู้คือใจนั่นแลตัวขนองอยู่ตรงนั้น ทำไมใจจีงของนองเพราะยิเลสทา้ขานองทา้ดิ้นกวัดแปลงจะแสดงขึ้นมาจากจุดนั้นเมื่อมีสติแล้วจะรู้ความกระเพื่องของจิตเ<อ>บื้องต้นเรากาหน ด, ดให้รู้อย่างนี้แล้วพยายามกำหน ด, ดให้รู้แล้วมีบทธรรมเป็นเครื่องกากับห<อ>รือว่าไม้ควายตี อ, อาศัยไม้คือบทธรรมบทนั้นๆควายกากับไม้มันโผล่ขึ้นมาได้ตีด้วยบทธรรม ให้ถีบยิบลงไปเช่นพุโทโธทโธเป็นต้นแล้วจิตจะมีความสงบเมื่อสงบแล้วจะเย็นลงไปเย็นลงไปสงบแน่วลงกิงจรนงนานแหละคุณค่าแห่งความสงบจะเห็นประจักษ์ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแห่งความพุ่งสร้างของจิตว่าก่อความทุกข์ให้เรามากน้อยเพียงไรเพราะความพุ่งสร้างนั้นๆนนานนี่เป็นสาเหตุที่จะให้เราทราบในวาระต่อไป ของกิเลสประเภทต่างๆนี้เราพอทราบแล้วว่าเงาก็พอทราบหรือว่าตัวก็พอทราบแล้วความฟุ้งซ่านเราก็ทราบละทิ้ว่ามันเป็นไัยความสงบเราก็ทราบว่าเป็นคุณแล้วจะสงบได้โดยวิธีใดเราก็ทราบวิธีการที่ทําคือภาวนาด้วยความมีสตินี่เมื่อเราทราบในเมื่อนหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะทราบไปโดยลํำดับเพราะสติ ย่อมมีความแก่กล้าขึ้นได้และเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอปัญญาก็สามารถได้เฉลดเียวฉลาดได้คนเรานี่ไม่ใช่จะโง่ อ, อยู่ตลอดเวลาถึงคราวฉลาดฉลาดถึงเวลาจะฉลาดฉลาดได้ถ้าเจ้าของคนใจเพื่อความฉลาดนอกจากจะนอนอยู่เฉยเหมือนหมูอยู่ในตมในโคนเท่านั้นจะหาความฉลาดไม่ได้จกนกระทั่งวันตายและตลอดกับตลอกันจะจมอยู่ในวัฏฏิรานตลอดไปเพราะความโง่พาให้จมผู้เราจะไม่ ไม่ใช่พูดต้องการจะจมด้วยความโง่ธเช่นนั้นเรามาสะเะแสวงหาความฉลาดเพื่อจะปลดเครื้องความโงงขอ ง, งวนให้ดีขึ้นจากตมจากโคนทั้งหลายคือกิเลสทัศวะประเภทต่างๆากลายเป็นอิสระเสีดีขึ้นมาเราต้องทำความพยายามให้ทราบอย่างนี้จิตสงบด้วยการบังคับด้วยความมีสติโดยอาศัยบทธรรมเป็นเครื่องกำกับ เป็นผลขั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้าจะเรียกว่าขั้นแต่คาว่าขั้นมั่นขั้นนี้ก็ไม่อยากจะเรียกให้เสียเวลาสงบหรือไม่สงบมันก็ทราบพายในตัวเองเหมือนอย่างเรารับทานอาหารมันถึงขั้นไหนแล้วเวลานี้เราก็ไม่เห็นถามกันนี้นะเริ่มรับทานเบื้องต้นนี้สาเร็จขั้นไหนไม่เห็นว่ารับทานไปรับทานไปจนกระทั่งอี ม, มันรู้เองไม่จาเป็นจะต้องเอาขั้นเอาภูมิไปใส่ของ ความอิ่มของเราอันนี้เหมือนการใจรู้ไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าใจทุกก็รู้สุขก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ร้อนรู้หนาวรู้ ร, รู้ทั้งนั้นเป็นผู้รับรู้ตลอดเวลาใจนี่แหละจะเป็นผู้รับรู้เมื่อได้สร้างสติปัญญาให้เป็นเครื่องกากับใจด้วยดีแล้วใจจะเด่นขึ้นด้วยความรู้ของตัวเอง ความสงบก็จะมีความชำนิชำนาญไปโดยลำดับอ้าวเราจะพิจารณาแยกแยกเหตุผลต่างๆถึงจิตมันไปเกี่ยวข้องติดพันกับเรื่องอะไรจนกลายเป็นไฟขึ้นมาเผาตัวเองก็จะทราบทั้งร่องรอยและตัวเหตุตัวผลของมันอีกด้วยจิตมีความรู้อันเดียวเท่านั้นสติมีความระลึก แล้วดับไปดับไปเรียกว่าสติปัญญามีความสอดส่องความไข่ครวนไข่ครวนก็ไข่ครวนเรื่องของตัวเองนั่นแหละเห็นอันนี้จังนะท่านว่ามีเป็นแผนของปัญญานนะทุกขังปัญตานี่เป็นแผนเป็นแนวทางเดินของปัญญาจึงเรียกว่าหินลัปัญญาพิจารณาเรื่องอันนี้จังมันเป็นอะไรอันนี้จังนี่มัน ไตรตรองไปเรื้อยๆเรื่ยนับแต่ชิ้นหนึ่งถึงสองชิ้นสามชิ้นจนกระทั่งรอบตัวแล้วรอบโลกธาตุแต่และอย่างอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดนี่ทราบซึ้งด้วยปัญญาเมื่อได้ทราบชัดด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดแล้วเราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่ามันเป็นอนิจจังอย่างประจักษ์ใจนี่การพิจาร ณ, ณาธรรมให้ประจักษ์ใจเป็นอย่างนี้นทุกขังก็ทราบไง มันแสดงในตลอดเวลามันเป็นภัยจริงๆทราบแล้วมันจะไปชินกับความทุกข์ได้อย่างไรไม่เคยชินไม่เคยได้ยินว่าใครชินกับความทุกข์ถ้าเรายังอยากรู้ชัดๆก็เอามือจ่อลงไปในไฟดูสิมันจะชินไหมเราอยู่กับไฟมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้มันชินไหมกับความร้อนที่จะทําให้เราทุกข์นั้นนะ่ะไม่ชินพอมือจ่อลงไปปั๊บเนี่ยมันจะโดดทันทีมือ ปั้ทันทีย้อนกลับทันทีนนกระตุกตัวเองทันทีเพราะความร้อนนั้นแผดเผาทนอยู่ไม่ได้นั่นมันชินหรืออย่างนั้นนี่พิจ น, นาพัง เ, เห็นชักด้วยปัญญาถึงใจอย่างนี้คําว่าอนัตตามันก็ฟังมันว่างไปหมดนี่เราเสกเฉยเฉยว่านั่นเป็นตัวนั่นเป็นตนนั่นเป็นสัตว์ น, น, น, นี้เป็นบุคคลแม้แต่ก้อนธาตุที่อยู่ในร่างกายเรานี่ มันก็ว่างจากความเป็นตนเป็นตัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันแต่เรามาเสกก็มันเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วก็รวมจากนั้นก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยธรรมชาติจริงๆแล้วอนัตตามันว่างจากความเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์นุ็คนไปหมดแล้วโดยหลักธรรมชาติถ้าในพิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมชาตินี้จิตจะได้ถอยตัวเข้ามาจากความรุ่งหลวงนั้นๆแล้วปล่อยความกังวลได้ในสภาวะตั้งหลายซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนต่า ทราบโดยทางปัญญาทราบอย่างนี้จิตเมื่อได้ถอดถอนตัวหรือได้เปิดเผยหรือฟื้นสิ่งปิดบังทั้งหลายโดยความรู้ชัดว่าสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นอนจังตัวกลักาศานแล้วทำไมจิตจะไม่โลง่งทำไมจิตจะไม่สว่างสวัยทำไมจิตจะไม่เบาทำไมจิตจะไม่อัศาจรรย์ ทำไมจิตจะไม่ผ่รงใสเป็นสิ่งที่น่าสะใจต้องเป็นอย่างแน่นอนไม่สงสัยที่จิตไม่แสดงความอาาระจันให้เจ้าของเห็นเลยก็เพราะมีแต่สิ่งสกรปรกโสมมที่หาคุณค่าไม่ได้มันครอบจิตอยู่ทั้งหมดจิตจึงกลายเป็นนักโทษทั้งดวงนั่นก็มีคุณค่าที่ไหนเมื่อมันเป็นนักโทษทั้งดวงเพราะธรรมชาติที่เป็นโทษมันอยู่กับกจิตที่เลีทั้งหลายนั่นแหละ มันเปิดออกไปเปิดออกไปอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นเปิดเผยตัวออกไปโดยลําดับลำดับความสว่างกระจากแจ้งของจิตความเป็นลิกษณะของจิตในอีกขั้นหนึ่งนั้นไม่ต้องถามเบาหิวอยู่ที่ไหนเพลินเบาไปหมดแต่ก่อนเคยแบกนอนก็แบกนั่งก็แบกยืนก็แบก แบกอย่งนั้นแบกอุปท า, านความหนักอืภูเขาทั้งลูกว่ามันใหญ่มันโตมันหนักนเราได้เคยแบกบึ้างแล้วเหรอภูเขาเราถึงจะทราบมันหนักเราไม่เคยแบกเราจะไปหานพูดเลยดูตัวมันที่มันหนักคือเบนจะขันนี่นะ่ะฮมันหนักที่ตรงนี้อยิ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วลูกไม่ขึ้นต้องให้คนอื่นช่วยพยุงช่วยเขาเจ็บอีกหนักเขาอีกด้วยคานเจ็บการปวด ในอวัยวะต่างๆนั่นมันทั้งหนักทั้งเจ็บทั้งปวดเลยเพิ่มเป็นเรื่องหนักไปหมดนี่แหละตัวหนักจริงๆท่านจึงว่าพาราหาเวปัญจักขั้นถาภาระอันหนักจริงๆก็คือเบญจขันนั่นถ้าไม่ได้บอกว่าภาระอันหนักจริงๆคือภูเขานะท่านไม่เห็นว่า น, นี่แล้วพิจารณาให้เห็นจริงอย่างนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องทับใจิตใจของเราึงพิจารณาให้รู้ในอาการทั้งห้านี้มันคือไตรลักษณ์ทั้งนั้นเราจะไปอาน หาอย่าไปเอื้อมอย่าไปจาบอย่าไปยืดอะไปแบกมันหนกักถ้าไปแบกมันหนกักถ้าปล่อยเสียมันก็เบาปล่อยด้วยปัญญาให้รู้ท้าตามมันจริงนะหยุดเพลินที่นีนะ่มีความรื่นเริงบันเทิงอยู่ที่ไหนรื่นเริงอยู่ในป่าในเขาอดอิ่มเป็นตายอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรื่นเริงบันเทิง ธรรมปีติสุ ข, ขังเสติผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้ยังหยาบไปะเมื่อถึงเข้าถึงขั้นนั้นแล้วหรือจะว่าใหละเอียดถึงภูมินั้นคำว่าธรรมก็มีหลายขั้นเอาถูกต้งองธรรมขั้นนั้นปีติในธรรมขั้นนั้นแต่ปีติอย่างละเอียดเช่นเดียวกันะมีความอยู่เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขเดินเดินอะไรเป็นสุขทางนั้นอดอีม่มเป็นสุขสบายเป็หมด หมดความกังวลหมดภาระเป็นเครื่องกดทุวงปีใจอเอา้เอาเพื่อมันสิ้นซากไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือต้นไม้เราตัดกิ่งตัดกา้านตัดต้นมันออกหมดเอา้ายังเหลือหัวตอ่อรากแก้วรากฝอยขุดค้นมันขึ้นมาเอาเผาไฟเสียให้สิ้นซากไปเสียหมดเท่านั้นต้นไม้ตัวนั้นไม่มีทางเกิดได้อีกเลยเอ จิตก็เหมือนการถอนหน้าแก้วมันซึ่งอยู่ภายในจิตท่านเรียกว่าอภิชามันปล่อยอะไรๆหมดแต่ตัวห้องจะคข้องกับมาอัศจรรย์อ้อยอิงอยู่กับความสงาา่าพาเผยความสะเอียดละออซึ่งตัวเรื่องของจิเลตประเภทละเอียดพิจณาเข้าอีกให้พอนี่ก็คือกองไตรักอีกเช่นเดียวกันย่าถือว่าเป็นเราฮอ มันเราอะไรนี่คือกองนิจังทุกของหน้าตาตัวกิเลสตัวภัยยังมาเป็นเราอยู่เ ห, อหร อ, หรอความฟองใสที่ควรจะผ่านไปได้ถือไว้ทำไมนั่น อ, อันนี้ก็คือกิเลสประเภทหนึ่งนี่เวลาย้อนเข้ามามันไม่มีลาพิจารณาจริงมันก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาถึงทำถึงทำขั้นละเอียดสุด สับเบธมานาลังอนิเวสายิาง่งะด้วยมันนะทมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นจุดสุดท้ายและสัเพ ธ, ธมานาตาทั้งปวงนี้เป็นอนาตาทั้งสิ้นนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนยาส่วนละเอียดความป่องสายความเศอ้ามองอะไรทั้งหมดที่มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะเป็นอนาตาทั้งสิ้นนั่นพิจารณาอีกทีเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนาตาทัน ทำต้องกวงก็ไม่ควรถือมัน่นก็จริงอันนี้เองที่ไม่ควรถือมัน่นพอเต็มที่เต็มภูมิของปัญญาและาศาสตร์ภาพเดียวหมดเมื่อสมมุติโดยประการทั้งกวงไม่ว่าหยากลางละเอียดได้สิ้นสุดไปจากใจแล้วปัญหาอะไรที่จะมีอีกต่อไปอไม่มี หมดนั่นล่ะท่านผู้หมดทุกท่านหมดอย่างนี้นี่แหละคือผู้เหนือพิเรสพิเรสจะได้มากัดมาฉีกเหมือนเสือโคร่งตัวหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นอันว่ายุติกันเพียงเท่านั้นถูกฆ่าหมดให้ทิบไห้ไม่มีเหลือเลยพิเรพทุกประเภทซึ่งเปรียบ เ, เหมือนเสือโคร่งฆ่าด้วยสติปัญญาอันแหลมคมคือมหาสติมหาปัญญาสิ้นซากไปหมด เสวยอมตะธรรมโดยหลักธรรมชาตินี่คือผลแห่งการปฏิบัติอันแท้จริงอย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้เพราะทำเป็นธรรมชาติที่ถึงใจของสัตว์โลกทำเป็นของจริงผู้สอนจึงสอนด้วยความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติจริงจังๆฟังจริงจริงจังๆแก้กิเเรศัญหาสมะซึ่งเห็นว่าเป็นภัยเห็นอย่างจริงๆแก้อย่างจริงจริงก็พ้นได้อย่างจริงๆอย่างนี้ไม่เป็นอื่น เพราสวนอรธรรมนั้นท่านเรียกว่ามัชชิ ม, มาทัานต่อเหตุการณ์ใ่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดของกิเลสที่แสดงขึ้นมามัชชิ ม, มาปฏิัตปทาเป็นอาวุธที่ทันสมัยฟาดปัญกิเลสให้แหลกกระจายไหมดไม่มีอะไรเหลือเลยท่านจึงเรียกว่ามัชชิ ม, มาเหมาะสมในตลอดเวลากับการแก้กิเลสกองทุกที่มีพานกรจของศักรการแสดงธรรมก็เห็นหนาสมควรจึงข อ, อยุติเปียงตรง